การชำระและจารึกกับการพิมพ์พระไตรปิฎกในประเทศไทยได้กล่าวไว้แล้วว่าควรจะได้กล่าวเป็นพิเศษถึงการชำระการเขียนการพิมพ์พระไตรปิฎกในประเทศไทยให้ค่อนข้างละเอียดสักเล็กน้อยเพื่อเป็นประโยชน์ในการรู้เรื่องความเกี่ยวข้องของประเทศไทยที่มีต่อพระไตรปิฎกซึ่งในที่นี้จะได้แบ่งเป็นสีสมัยดังนี้ สมัยที่หนึ่งชมระและจารลงในไบลานกระทาที่เมืองเชียงใหม่สมัยพระเจ้าติโลกราชประมาณพุทธศักราช2020สมัยที่สองชมระและจารลงในไบลานกระทาที่กรุงเทพสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกรรชการที่หนึ่งพุทธศักราช2331สมัยที่สาํชระและพิมพ์เป็นเล่มกระทาที่กรุงเทพ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพุทธศักราช2431ถึงพุทธศักราช2436สมัยที่สชํชรรและพิม์เป็นเล่มกระทาที่กรุงเทพสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจพุทธศักราช2468ถึงพุทธศักราช2473 สมัยที่หนึ่งพระเจ้าติโลกราชเมืองเชียงใหม่ความจริงสมัยนั้นเมืองเชียงใหม่เป็นอิสระและถือได้ว่าภูมิภาคแถบนั้นเป็นประเทศลานนาไทยแต่เมื่อรวมกันเป็นประเทศไทยในภายหลังก็ควรจะได้กล่าวถึงการชำระพระไตรปิฎกและการจารลงในใบลานพระเจ้าติโลกราชผู้นี้มีเรื่องกล่าวถึงไว้ในหนังสือชินการมาลีปกรณ์สั้นๆว่า สร้างพระพุทธรูปในจุนลศักราชแปดร้อสิบห้านังสือสังคีติยวงเล่าเรื่องสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ตรงกับหนังสือชินกานมาลีปกรแต่มีเล่าเรื่องสังคยนาพระไตรปิฎกด้วยพระเจ้าติโลกราชได้อาราธนาพระภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎกหลายร้อยรูปมีพระธรรมทินเทระเป็นประธาน ให้ชำระอักษรพระไตรปิฎกในวัดโพธารามหนึ่งปีจึงสาเร็จเมื่อทำการฉลองสมโพธแล้วก็ได้ให้สร้างมณเทียนในวัดโพธารามเพื่อประดิษฐานพระไตรปิฎกข้อที่น่าสังเกตก็คือตัวอักษรที่ใช้ในการจารึกพระไตรปิฎกในครั้งนั้นคงเป็นอักษรแบบไทยลานานะคล้ายอักษรพมาร่ามีผิดเพี้ยนกันบ้างและพอเดาออกเป็นบางตัว สมัยที่สองรัชกาลที่หนึ่งกรุงเทพเรื่องสังขยาพระไตรปิฎกโดยพิสดารในสมัยรัชกาลที่หนึ่งมีปรากฏในหนังสือพงศาวดารฉบับพระราชหัตทะเลขาและคําประกาศเทวดาครั้งสังขยาปีวอกสำริทธิศกพุทธศักราช 2,331 รัชกาลที่หนึ่งจากหนังสือประกาศการพระราชพิธีซึ่งเก็บใจความได้ดังนี้ ในปีพุทธศักราช2331พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกทรงสละพระราชทรัพย์จ้างช่างจานจารึกพระไตรปิฎกลงในใบลานและให้ชำระและแปลฉบับอักษรลาวอักษรรามันเป็นอักษรขอมสร้างใส่ตู้ไว้ในหอมนเทียนธรรมและสร้างพระไตรปิฎกถวายพระสงฆ์ไว้ทุกพระอารามหลวงมีผู้กราบทูลว่าฉบับพระไตรปิฎก และอัจฉกกย า, าดีกาที่มีอยู่ผิดเพี้ยนวิปลาดเป็นอันมากผู้ที่รู้พระไตรปิฎกก็มีน้อยท่านควรจะได้หาทางชำระให้ถูกต้องจึงทรงอาราธนาพระสังฆราชพระราชาคณะฐานะลูกกรมปรเรียนหนึ่งร้อยรูปมาฉันปรัดถามว่าพระไตรปิฎกผิดพลาดมากน้อยเพียงไรสมเด็จพระสังฆราชพร้อมด้วยพระราชาคณะถวายพระพรให้ทรงทราบ ว่ามีผิดพลาดมากและเล่าประวัติการสังคายนาพระไตรปิฎก8ครั้งที่ล่วงมาแล้วเมื่อทรงทราบดังนี้จึงอารัธนาให้พระสงฆ์ดำเนินการสังคยนาชำระพระตรปิฎกซึ่งเลือกได้พระสงฆ์2อรดูปราชบัณฑิตอุบาสก32คนแต่ตามประกาศเทวดาว่าพระสงฆ์219รรูปราชบัณฑิตอุบาสกสาิคน กระทำรรนวัดพระศรีสรรเพชคือวัดมหาธาตุยุราษรังสฤษดิ์ในปัจจุบันแบ่งงานออกเป็นสี่กองสมเด็จพระสังฆราชเป็นแม่กองชมระสุตันตปิฎกพระวัรณรัตเป็นแม่กองชมระวินัยปิฎกพระพิมนลธรรมเป็นแม่กองชมระอภิธรรมปิฎกพระพุทธาจารย์เป็นแม่กองชรรรมระสัทธาวิเศษคือตำราวายากรนและอธิบายศัพท์ต่างๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอนุชาสเสด็จไปณนะพระอารามทุกวันวันละสองครั้งเวลาเช้าท่งประเคนสำรับอาหารเวลาเย็นทรงถวายน้ำอัถบาลหรือน้ำผลไม้คั้นและเทียนทุกวันเป็นอย่างนี้สิ้นเวลาห้าเดือนจึงเสร็จแล้วได้จ้างช่างจานจารึกลงในใบลานให้ปิดทองแท่งทับทั้งใบปกหน้าหลังและกรอบทั้งสิ้น เรียกว่าฉับทองห่อด้วยผ้ายกเชือกรัดถักด้วยไหมแปรเบญจพันมีฉลากงาแกะเขียนอักษรด้วยหมึกและฉลากทองเป็นตัวอักษรบอกชื่อพระคำพีทุกคำพีเมื่อพิจารณาจากการที่พระมาหากรร ษ, รร ษ, รรษัตริย์ทรงอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปให้กำลังใจแก่พระเทระและราชบัณฑิตผู้ชำระพระไตรปิฎกถึงวันละสองเวลาแล้ว ก็ควรจะถือได้ว่าเป็นพระราชจริยาวัดอันดียิ่งมีคุณค่าในการถนอมรักษาตำราทางพระพุทธศาสนาไว้ด้วยดีแต่การสังคยนาครั้งนี้ผู้ส่งความรู้รุ่นหลังมักจะพูดล้อว่าเป็นการสังคยนาแต้มหัวตักเช่นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรงไว้ในพระราชวิจารณ์ เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาฝ่ายหินนัยานคือเทรวาดกับฝ่ายมหายานหน้าส3บสาโดยเล็งไปถึงไม่ได้ทำอะไรมากนอกจากแก้ไขตัวหนังสือที่ผิดคำว่าแต้หัวตะหมายความว่าอักษรคกับอักษรตเมื่อเขียนด้วยอักษรขอมมีลักษณะใกล้เคียงกันถ้าจะให้ชัดเจนเวลาเขียนตัวตเตา จะต้องมีขมวดหัวการสอบทานเห็นตัวไหนไม่ชัดก็เติมขมวดหัวซะให้ชัดแต่ข้าพเจ้าเองมิได้เห็นว่าการชําระพระไตรปิฎกในรัชกาลที่หนึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะมิได้ติดใจถ้อยคําที่ว่าสังขยนาจะต้องเป็นเรื่องปราบเสียนหนามทุกครั้งไปสังขยาครั้งที่หนึ่งก็ไม่ใช่เสียนหนามอะไรมาก เพียงภิกษุสูงอายุรูปหนึ่งพูดไม่ดีเท่านั้นข้อสำคัญอยู่ที่การจัดระเบียบหรือถนอมรักษาพระพุทธวจนะให้จารงอยู่ก็พอแล้วข้อปรารพของราชการที่หนึ่งที่ว่าพระไตรปิฎกมีอักษรผิดพลาดตกหล่นมากจึงควรชำระให้ดีนี้เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะดำเนินงานได้เพราะถ้าไม่ได้พระบรมราชูประงานนี้ก็คงสาเร็จได้โดยยาก จะเรียกว่าสังคยนาหรือไม่ไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ได้แก้ไขฉบับพระไตรปิฎกให้ดีขึ้นก็เป็นที่พอใจแล้วเพราะแม้การสังคยนาครั้งที่ 1, 2, 3สองสถ้าจะถือว่ามีการสังคยนาคนเกี่ยวข้องด้วยทุกครั้งแต่ในที่สุดก็ไม่พ้นสังคยนาพระธรรมวินนยจัดระเบียบพระพุทธวจนะโดยเฉพาะการสังคยนาครั้งแรก ก็เพียงปารบถ้อยคําของสุภัทภภิกษุเท่านั้นมิใช่สังคยนาคนหรือต้องชำระสะสารความผิดของใครด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอบันทึกพระคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกราชการที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไว้ในที่นี้ด้วยคาระวะอย่างยิ่งสมัยที่สาม ในรัชกาลที่หกรุงเทพหลักฐานเรื่องการพิมพ์พระไตรปิฎกซึ่งเดิมเขียนเป็นตัวอักษรขอมอยู่ในคัมภีร์ใบาลานให้เป็นเล่มหนังสือขึ้นมีมีในหนังสือชุมมุมกฎหมายในรัชกาลที่หโดยหลวงรัตนายับเป็นผู้รวบรวมพิมพ์หน้า839ว่าด้วยลักษณะบำรุงพระพุทธศาสนาในหัวข้อว่าการศาสนูประธรม คือการพิมพ์พระไตรปิฎกประกาศการสังคยนาและพระราชดำรัสแก่พระสงฆ์โดยพระองค์ซึ่งได้พิมพ์ไว้ส่วนหนึ่งในภาพผนวกแล้วสาระสำคัญที่ได้กระทาคือคัดลอกตัวขอมในคัมภีร์ใบาลานเป็นตัวเลขไทยแล้วชำระแก้ไขและพิมพ์ขึ้นเป็นเล่มหนังสือรวม39เล่มซึ่งเดิมกะว่าจะมีถึง40เล่มมีการประกาศการสังคยนา แต่เพราะเหตุที่ถือกันว่าการสังคยนาควรจะต้องมีการชําระสะสางหรือทําลายเส้นนามพระศาสนาเพียงพิมพ์หนังสือเฉยๆคนจึงไม่นิยมถือว่าเป็นการสังคยนาแต่ได้กล่าวไว้แล้วว่าจะเรียกว่าสังคยนาหรือไม่ไม่สําคัญขอให้ได้มีการชําระตรวจสอบจารึกหรือจัดพิมพ์พระไตรปิฎกให้เป็นเล่มรักษาไว้เป็นหลักฐานก็นับว่าเป็นกิจอันควรสันเสริญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการทาให้พระพุทธวจนะดำรงอยู่เป็นหลักแห่งการศึกษาและปฏิบัติตลอดไปมีข้อน่าสังเกตในการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกครั้งแรกในประเทศไทยครั้งนี้ที่ขอเสนอไว้เป็นข้อข้อคื อ, คอ 1. การชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกครั้งนี้เริ่มแต่พุทธศักราชสองพันสํสาเำเร็จเมื่อพุทธศักราชสอง จำนวนหนึ่พันชุดนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้มีการพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นเล่มแรกด้วยอักษรไทยเป็นการฉลองการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสวยราชสมบัติครบ25ปี 2. เป็นการสละพระราชทรัพย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเทียบกับการพิมพ์พระไตรปิฎกในรัชกาลที่เจเป็นการสละพระราชทรัพย์ และทรัพย์ร่วมกันของพระมหากษัตริย์กับประชาชน 3. ในการพิมพ์ครั้งนี้พิมพ์ได้39เล่มชุดยังขาดหายไปไม่ได้พิมพ์อีก6เล่มและได้พิมพ์เพิ่มเติมในราชการที่เจจนครบฉบับพิมพ์ในราชการที่7รวม45ห้าเล่มจึงนับว่าสมบูรณ์เป็นการช่วยเพิ่มเติมเล่มที่ขาดหายไปอีกคือ1่เล่ม26 วิมานวัตถุเปตะวัตถุเทระคาถาเทรีคาถาสองเล่ม27ชาดกสเล่ม28ชาดกสเล่ม32มบอปทานหาเล่มสาบสอปทานพุทธวงศ์จริยปิดก6เล่มสีเอ็ดอนุโลมติกาปัฏฐานภาคสองและ7ปัจญียปัฏฐานอนุโลมปัจญียปัฏฐาน ปจณียานุลมปัจฐานนอกจากนั้นยังได้เพิ่มเติมท้ายเล่ม44บที่ขาดหายไปครึ่งหนึ่งคืออนุลมติกกะติกกะปัจฐานและอนุลมทุกกะทุกกาปัจฐานให้สมบูรณ์ด้วยตามจำนวนดังกล่าวนี้เมื่อคิดเป็นเล่มจึงมีหนังสือขาดหายไปต้องพิมพ์เพิมเ่มเติมใหม่หมอีกเจ็ดเล่ม แต่เพราะเหตุที่ฉบับพิมพในครั้งราชการที่ห้าแยกคำร์ยมกแห่งอภิธรรมปิดกออกเป็นสามเล่มส่วนในการพิมพครั้งหลังรวมเป็นเพียงสองเล่มจํานวนเล่มที่ขาดหายจึงเป็นเพียงหกเล่มคือฉบับพิมพ์ในราชการที่ห้ามีสามสิบเก้าเล่มฉบับพิมพ์ในราชการที่เจ็ดมีสี่สิบห้าเล่มด้วยประการชนนี้ อย่างไรก็ดีการพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นเล่มหนังสือนี้แม้ในขั้นแรกจะไม่สมบูรณ์แต่ก็เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าทางพระพุทธศาสนาสะดวกยิ่งขึ้นเป็นการวางรากฐานอย่างสําคัญแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นพระราชกรณียกิจอันควรสรรเสริญยิ่งแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หสมัยที่สี่ รัชกาลที่เจ็ดกรุงเทพหลักฐานเรื่องนี้ในหนังสือรายงานการสร้างพระไตรปิฎกสยามรัฐซึ่งพิมพ์ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจแสดงรายละเอียดการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกระหว่างพุทธศักราชสองพถึงพุทธศักราชสองพมีข้อที่พึงกล่าวเกี่ยวกับการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกครั้งนี้คือ 1. ได้ใช้เครื่องหมายและอักษรวิธีตามแบบของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสซึ่งทรงคิดขึ้นใหม่แม้การจัดพิมพ์จะกระทำในสมัยที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนแล้ว 2. พิมพ์1500จบพระราชทานในพระราชอาณาจักร2 0 0จบพระราชทานในนานาประเทศ450จบเหลืออีก850จบ พระราชทานแก่ผู้บริจาคทรัพย์ขอรับหนังสือพระไตรปิฎก 3. การพิมพ์พระไตรปิฎกในครั้งนี้นับว่าได้เพิ่มเติมส่วนที่ยังขาดอยู่ให้สมบูรณ์โดยใช้ฉบับลานของหลวงเข้าใจว่าฉบับนี้สืบเนื่องมาจากราชการที่หนึ่งคัดลอกแล้วพิมพ์เพิ่มเติมจากส่วนที่ยังขาดอยู่สี่ ผลของการที่ส่งพระไตรปิฎกไปต่างประเทศทำให้มีผู้พยายามอ่านอักษรไทยเพื่อสามารถอ่านพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยได้และได้มีผู้บันทึกสดุดีไว้เช่นพระนายานติโลกะเทระชาวเยอรมันผู้อุปสมบทประจำอยู่ณประเทศหลังกาได้ชมเชยไว้ในหนังสือว่าฉบับพระไตรปิฎกของไทย สมบูรณ์กว่าฉบับพิมพ์ด้วยอักษรโรมันของสมาคมบาลีปรก์ในอังกฤษเป็นอันมาก 5. ในการพิมพ์ครั้งนี้ได้ทำอนุกรมต่างๆไว้ท้ายเล่มเพื่อสะดวกในการค้นแม้จะไม่สมบูรณ์แต่ก็มีประโยชน์มากและเป็นแนวทางให้ชำระเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ต่อไป เป็นอันว่าท่านผู้อ่านได้ทราบความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกตั้งแต่ต้นจนถึงพิมพ์เป็นเล่มแล้วต่อไปจะได้กล่าวถึงวิธีจัดระเบียบและการจัดประเภทในแต่ละปิฎกเพื่อสะดวกในการกำหนดจดจำซึ่งได้มีการริเริ่มมาแต่การสังคายนาครั้งที่หนึ่งและได้เพิ่มเติมในการจัดระเบียบในสมัยต่อๆมา